4 3 2 1นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วอัตมาพระไยบณ์อภิปุนโนแล้วก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยกันหมอทศพงศ์ครับสวัสดีครับกับผมธันตแพทย์นัทพง์กระกวิรุณครับผู้ร่วมดำเนินรายการตอนนี้เป็นตอนที่28แล้วนะครับพาา้าจัการยบแล้วทุกสัปดาห์ไม่เคยพลาดเลย รเราสองคนก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำก็จะำนำเนื้อหาธรรมะที่คิดว่าสำคัญแล้วก็อาจจะมีการตอบคำถามที่ท่านฟังส่งมาทางเพียวธรม .com มาคุยกันให้ฟังวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยมันแล้วมีประเด็นอะไรที่คิดว่าเราควรจะมาคุยกันบ้างถึงจะเป็นการดีมีมีมีประเด็นที่ตั้งใจไว้ว่าจะ ถามเรียนถามผ้าจานให้ช่วยแจกแจงนะครับคือเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ของปุตุชนเนี่ยครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูเหมือนตัวคนคนไทยเองเนี่ยผมว่าถูกฝึกทางด้านนี้น้อยอืความมีวินัยทางการเงินการรู้จักใช้ใช้ยังไงเก็บอย่างไรจ่ายเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกเท่าที่ดูเหมือนคนไทยเป็นนี่กันเยอะนะครับก็เลยแหมรู้สึกว่า พระพุทธเจ้าน่าจะมีการสอนเรื่องการใช้ทรัพย์เอาไว้แน่นอนเลยกลับเรียนถามพระอาจารย์ณที่นี้เลยครับก็พระพุทธเจ้าได้เคยสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงิน เ, เงินเนี่ยถ้าสอนคารวาสนะฮนะคือถ้าสอนพระเนี่ยก็บอกว่าเคยบอกกับพระอนทนว่าเงินเนี่ยเปรียบเสมือนกับงูพิษงูพิษคือเงินมันไปอยู่กับใครมันก็จะถ้าเลี้ยงดูมันไม่ดีมันจะกัด คือหมายความว่างูพิษเนี่ยถ้าไม่ไม่ให้ลุกไม่ให้นอนไม่ให้กินตามเวลาอะไรพวกนี้นะมันจะทําร้ายเราได้เช่นเดียวกันกรนีก็คืองเงินซึ่งอุปมาอุปไมยตรงนี้ก็ถ้าใช้กับพระได้ก็ใช้กับกรวาสได้เหมือนกันแล้วก็วิธีการที่พระเจ้าให้เขาเรียกว่าแบ่งจ่ายซั์เอาเอาพูดถึง เรื่องนี้ก่อนดีกว่าไห ม, ม, มพตะพงว่าจะได้เง<อ>ินมาได้ยังไงอะาการหาซัเาบเราเคยพูดถึงเรื่องของศีลเรื่องของการขยันความขยันเนาะเพื่อที่จะให้ได้ซัพย์มาพระเจ้าก็ยืนยันในเรื่องนี้อยู่แล้วว่าถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนนะตัวชุ่มด้วยเหงื่อนะโคพคาซั์ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยดี นะเป็นโพคทซัพที่เกิดขึ้นตามธรรมได้มาโดยธนะรรมรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงือ่อลักษณะนี้นะแล้วก็ก่อนการหารัพเนี่ยพระชาพูดถึงอาชีพนะในเรื่องของการหารั์อยู่หลายอย่าง อ, าอย่างเช่นว่าการเป็นข้าราชการก็มนะนะีการเป็นนักรบก็มีนะอาชีพผู้ถืออาวุธ นะทําเองก็ได้จัดให้กระทําก็ได้นะจัดให้กระทําก็คือว่าเป็นผู้จัดการก็ได้ไม่จำเป็นต้องทําเองใช่ไหมนะคุณอาจจะเป็นผู้จัดการทํานั่นทนํานี่อะไรเงี้ยน ะ, ะก็ได้เหมือนกันเราก็ยังมีอาชีพการใช้ศิลปะปด้วยมือนะการเลี้ยงโคการทําเกษตรกรรมการค้าขายก็มนะีอาชีพพวกนี้พระเจ้าได้พูดถึงอยู่ อันนี้จะถ้าพูดในกรณีนี้จะเชื่อมโยงกับสัมมาอาชีวะได้ัหยครับถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัมมาอาชีวะด้วยรจริ ง, รงๆเรื่องการการใช้จ่ายเงินเนี่ยแหละอยู่ในส่วนของสัมมาอาชีวะเลยแล้วก็การประกอบอาชีพยอย่างสุดจริตและบางคนอาจจะเข้าใจถึงว่าอาชีพสัมมาอาชีวะซึ่งเราได้เคยพูดไปแล้วนะว่าการหาเลี้ยงชีพที่ ผิดเนี่ยเป็นยังไงคือการโกหกการหลอกลวงการลอราบด้วยราบการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงคือเว้นขาดจากพวกนั้นทีนี้ถ้ามาดูรายละเอียดเรื่องของอาชีพนะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าสกุ่นี้ครับทีนี้การกระทาการงานเนี่ยบุรุษเจใช้บทเพียนชนะอย่างนี้บอกว่าประกอบด้วยการสอดสองในอุบายนั้นนันหมายความว่าเวลาคุณจะทางา น, นคุณต้อง สอดส่องในอุบายนั้นๆนะอย่างหมอรัฐพงศ์เวลาไปไปทําฟันอย่างนี้นะมันจะต้องมีวิธีการการกระทําของเราอะนึกาอกไหมที่เป็นเทคนิคใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่อย่างนักขายเอ้าใครๆว่าใครก็เป็นนักขายได้คุณต้องมีการสอดส่องในอุบายในอาชีพของคุณนะทาเองก็ได้จัดให้กระทําก็ได้เรียกว่าผู้ที่ทําแบบนี้เรียกว่าพูดถึงร้อมด้วย ขยันนะลันกษณะการทําอย่างนี้นะเป็นผู้ที่เรียกว่ า, ามาีมีความเพีเ้ยนอันเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพคาัพท์ที่ได้มาโดยธรรมนาะประกอบด้วยธรรมโพคศัพท์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้บางคนบอกว่าฉันทํางานออฟฟิศใช่ไหมไม่มีเหงื่อหรอกอยู่ห้องแอร์สบายครับไม่จริงหรอกต่อให้เวลาคุณไปประชุมอย่างนี้ พูดในที่ชุมชนเหงื่อแตกข้างในเสื้อเนี่ไม่มีใครเห็นนะหรือ<ช>ว่าบางบทาีต้องเดินไปข้างนอกเหงื่อแตกออกไปรับประทานอาหารนอกสํานักงานอย่างเงี้ยบางทีก็เหงื่อแตกเหมือนกันแต่มันเป็นความที่ลําบากที่จะต้องพบในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามนี่คือเรื่องการหาทรัพย์ปูไปนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้พูดถึงเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์มันได้สมบูรณ์ ทีนี้เรื่องการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยหมอรัตพงศ์พระพุทธเจ้าเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของแค s ต์ฟลูเหมือนกันนะแค s ต์ฟลูเนี่ยก็คือกระแสเ ง, งินกระแสกระแสเงินสด ว, ว่าต้องเป็นบวกหมาย ค, ความว่าพระพุทธเจ้าตรัสนี้บอกว่าเป็นผู้ที่เธอเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รู้จักความได้มาขอางโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฟืดเคืองนักอย่างนี้ ค, คือเราต้องรู้ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหรใช่ไหมนะต้องมีการทํางบประมาณนะบัตเจตในในชีวิตของเรารโดยที่มีหลักอย่างนี้ว่ารายได้ของเราจะไม่ท่วมรายจ่ายรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับในอย่างนี้นี่เป็น<ใ> comigo, หลักห ม, topics, มายความว่ารายได้ต้องท่วมรายจ่ายหรือว่าอ่ารายได้ของเราจะ<ย>ต้องท่วมรายจ่ายอ๋อครับครับรายได้ของเราจะต้องท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับเพื่ออาการอย่างนี้ แล้วก็หมายความว่าเราต้องรู้จักว่าเงินเราเข้าเงินเราออกเท่าไหร่ในมีการทํางบประมาณรู้ว่าเงินเข้าเงินออกอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังบอกอีกว่า เ, เหมือนกับถ้าเรามีรายรับมากเนี่ยแต่ว่าใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างฟึกเครื่องเนี่ยก็จะมีคือฟืดเครื่องนี่หมายกันว่าแรงแค้นเลยน ะ, ะก็ยังจะมีผู้บอกว่าโอ้ผู้นี้จะอยู่ชีวิตอาจจะมีชีวิตอยู่อย่างตายวตายอยากแต่ถ้ามีรายรับน้อยแต่ว่ามีชีวิต โอย้ยอย่างฟุ่งเฟือยอย่างเงี้ยก็จะมีผู้บอกว่าใช้จ่ายโภคทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลเมือเดือดเป็นหนี้มากนี้นะครับใช่แล้วก็ไม่รู้จักว่าตัวเองราย ร, ายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ถ้าจ่ายมากเกินไปก็ต้องเป็นหนี้อะไรบางอย่างทีนี้ว่าคนกินผลมืเดือนนี่เป็นยังไงเราเมื่อกีอ้ เ, เห็นกระรอกรอมารถพงที่วัดบวอรเนี่ยมันก็มีต้นมืเดือดอยู่หลายต้นนะที่วัดบวอรกระรอกเนี่ยพอเขาหยิบผลมืเดือน บ, บนต้นมากินใช่ไหม กัดสองสามคำเท่านั้นเองแล้วโยนทิ้งเลยนะเพราะว่ามันมีเม็ดอยู่มากนะพอกรอกได้รู้สึกถึงเมล็ดของมันเดือก็โยนทิ้งเลยนะซึ่งเราไม่ต้องทำสุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นนะแต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่อย่างแรงแขนแรงแนเนี่ยพุช า, าใช้คำว่าแรงแคนนะแรงแคนอย่างเช่นว่าเศรษฐีรวยมากแต่ว่ากินข้าวต้มเอาก้อนกลุอมาคุกเกลืออย่างเงี้ยนะ เหมือนอย่างที่มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนะนะอันนั้นก็เวอร์เกินไปมากเกินไปเพราะฉะนั้นเรารต้องรู้จักความที่ได้มาอย่งโภคทรัพย์ความที่สิ้นแปลงโภคทรัพย์แล้วก็ดํารงชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมออุปมาอุปไมยตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างกับคนถือตะช่างต้องรู้จักว่าตรงนี้ยังขาดอยู่เท่านี้เกินไปเท่านี้ คนตือตาช่างเนี่ยเขาไวมากนะหมอธนรงค์ถ้าเคยไปดูอย่างร้านขายยาหรือว่าร้านทองเนี่ยสมัยก่อนามาตอนเป็นเด็กอ่ะข้างบ้านมีร้านทองแล้วเมื่อก่อนสองแขวงอแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่มีตาช่างแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันแพงมากสมัยโน้นนะะเขาก็ต้องเอาตาช่างที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไขสั่ง้มข้าวเหลืองแล้วเขาก็จะวางน้ําหนักที่ได้รับการปรับแต่งมาแล้วอยู่ด้านหนึ่ง วางทองอีกด้านหนึ่งแล้วยกตาช่างขึ้นยกแค่วับเดียวเท่านั้นเองนะยกแค่ไม่ถึงวินาทีเนี่ย<อ>เขาจะรู้เลยว่าขาดเกินเท่าไหร่เขาจะรู้ทันทีว่าทองนี้น้ําหนักเท่าไหร่รนะตอนที่เขาเอามาใส่มือเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันประมาณแค่นี้เอาใส่ไปสองกรมัมใส่ไป3าบาทใส่ไปห้าบาทอย่างเงี้ยนะยกขึ้นวับโอเคใช้ได้ยกขึ้นวับยังขาดอยู่เท่านี้ยกขึ้นวับยังเกินอยู่เท่านี้รู้ปั๊บเลยน้อยกว่าหนึ่งวินาที เสี้ยววินาทีเดียวเดียวซ้ำเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนฉลาดอย่างนี้ต้องอุปมาอุปไมยเนี้ยทำให้เรานึกถึงสมัยก่อนที่เราเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาครับเขาไอคนที่ช่างตาช่างเนี้ยช่างตาช่างสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นสปริงมันไม่ได้เป็นสปริง เ, เหมือนสมัยปัจจุบันครับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะไอช่างตาช่างที่เป็นสปริงสมัยก่อนเนี้ยมันยังไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นตาช่างที่แขวนเพราะฉะนั้นเขาจะยกแป๊บเดียวเท่านั้นเอง ก็จะไม่ได้ยกหนานเราต้องรู้ขนาดนี้ น, น, นี้คื อ, เ, อรเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์แล้วอันนี้คือหลักทั่วๆวไปหลักทั่วๆไปของการใช้จ่ายซัพย์ก็มีลักษณะนี้คือเรื่องของกระแสเงินเข้ากระแสเงินออก ค, คือเรื่องของลักษณะของ cash flow ว่างนะจ๊ะแล้วก็ยังพูดถึงไม่ให้เงินเนี่ยรั่วไหลผู้เชี่ยวยังไม่ให้เงินรั่วไหลเงินรั่วไหลไ ป, ไปทางไหนได้บ้าง มันไหลได้สี่ทางเงินจะรั่วออกเนี่ยก็คือว่าดื่มเหล้าไปทางอบายมุก4ี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอันดับแรกคือดื่มเหล้าอันดับที่สองเป็นมีผู้มีผู้หญิงนะอันดับที่สมเล่นการพนันอันดับที่สี่เนี่ยก็มีเพื่อนฝูงไม่ดีนะสี่อย่างนี้จะเป็นทางที่ทําให้ทรัพย์เสื่อมไปอย่างดื่มเหล้าเนี่ยตัวดีเลยเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ไม่เป็น ทำให้ร่างกายมีโรคด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการรู้จักปิดกัน้นทางเสื่อมของทรับนะก็จะเป็นผู้ที่สามารถทําให้ทรับนิ่งคงอยู่ได้ก็ยังเปรียบเทียบเหมือนกับทางน้ําออกได้ถูกปิดเอาไว้ลักษณะนี้ทีนี้เรื่องของอเงินที่มีอยู่อตอนนี้เรามีเงินใช่ไหมหาเงินมาได้แล้ว หลักการใช้จ่ายเงินก็คืออยู่ที่การทำบัตเจตการรู้ว่ากระแสงเงินเข้ากระแสงเงินออกแล้วก็ปิดทางเสื่อแมแห่งทรัพย์ใช่ไหมหทีนี้เราถามว่าไอ้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำบัตเจตแล้วนะมีการแบ่งจ่ายเราจะแบ่งจ่ายอย่างไรเราจะแบ่งจ่ายอย่างไรการใช้จ่ายทรัพย์4อย่างนะที่พระเจ้าได้ตราาัสไว้หลังจากที่ปิดกัน้นทรัพย์แล้วหลังจากที่ รู้วิธีการหาทรัพย์มาแล้วนะต้องบวกมากกว่าลบแล้วเข้ามากกว่าออกใช่ไหมแล้วไอ้ที่ออกเนี่ยอ อ, ออกได้ออกได้ยังไงบ้างถึงจะเรียกว่าเหมาะสมไม่ใช่ออกทางอพยมุกแต่การแบ่งออกเนี่ยก็มีหน้าที่ที่เราจำต้องใช้คือ4อย่างอย่างแรกเนี่ยพระเจ้าให้ใช้ทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้เนี่ยในการเลี้ยงตนนะเลี้ยงใครบ้างเลี้ยงในลักษณะให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุข โดยถูกต้องนั้นก็คือต้องบริหารเรื่องของตัวเองมารดาบิดาบุตรภรยาทาศกรรมกรชายและหญิงนมิตรอมมาต์นะสบุคคลอย่างนี้สบุคคล4ประเภทนะอันดับแรกคือตัวเองก่อนอันดับ 2, 2> คือมารดาบิดาดอันดับ3คือบุตรภรยาทาศกรรมกรชายและหญิงอันดับที่4ี่คือเพื่อนเพื่อนฝูงนมิตรอมมาตให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะหมายความว่า ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมบอกว่าบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะอันนี้คุณต้องคิดดีๆหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าต้องมีการบริหารจัดการอย่างเช่นว่าบางทีต้องให้มากบางทีต้องให้น้อยบางทีต้องมีการแบ่งปันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเห็นว่าพุทธวจนะแต่สอดคล้องกันเรื่องของการสงเคราะห์ด้วยทาน สงเคราะห์มันดาบิดาสงเคราะห์บุตรภรยาอย่างเงี้ยอย่างภรรยาอย่างเงี้ยหน้าที่ของสามีคือต้องให้เครื่องประดับบ้างเพราะฉะนั้นเงินที่จะออกก็ต้องไปออกช่องนี้นะเลี้ยงเขาอยู่ให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารบุคคลเหล่านั้นให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องต้องเป็นสุขด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเราก็จัดการใช้จ่ายตามเหตุตามปัจจัยในลักษณะนี่คือข้อที่1 ข้อที่1บุคคลที่เราต้องดูแลนะคือเรื่องของทิศทั้งหกเลยเออทิศทั้งสี่ทิศสี่ทิศสคือตัวเองบันดาบิดาคือทิศเบื้องหน้าใช่ไหมบิดปริยาคือทิศเบื้องหลังแล้วก็ท่ากรรมกรล่างนะมิตรอมาธคือทิศเบื้องซ้ายอย่างนี้ส่วนอาจารย์กับสมณะเดี๋ยวยกไว้ก่อนนะยังไม่ได้อยู่ในข้อแรกนี้ยังไม่ได้อยู่ในข้อแรกนี้ ทีนี้การบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเนี่ยยังรวมถึงการที่เราอาจจะต้องพาไปกินข้าบ้างหรือว่าซื้ออะไรมาฝากกันบ้างอย่างนี้เนาะอันนี้ถึงจะถูกทีนี้พอทำเสร็จแล้วนะปรุชาบอกยังมีข้ออื่นอีกข้อที่2ก็คือว่าต้องใช้ทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้นในการปิดกั้นอันตราย นะทำตัวเองให้สบัย ด, ดีจากอันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากไฟไหมจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักรหมายความว่าต้องมีการใช้จ่ายซับนะในการที่จะป้องกันอันตรายเหล่านั้นบางทีอาจจะต้องไปซื้อประกันภยัยประกันชีวิตจ่ายภาษีนี่รวมอยู่ในตรงนี้หมดนะไม่น่าเขาถึงหากภาษีหลังค่าใช้จนะ่ายนะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกัน แล้วก็พระเจ้ายังบอกนะให้ใช้ให้ใช้ทรัพย์ตรงนี้ในการปิดกั้นอันตรายจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักเป็นยังไงครับอ า, อาจจะให้เขามีความรู้เพิ่มเติมอาจจะมีความาต้องมีการบอกสอนอะไรที่เป็นพิเศษอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้อย่างเี้ใช่ครับเรื่องระบบจ่ายค่ายามหรือว่าจ่ายค่าระบบป้องกันภัยระบบ กลวงจรปิดอะไรก็จะอยู่ในการจ่ายส่วนนี้ครับอันดับที่สามนะก็คือการในการทําปลีกรรมปลีกรรมนี่คือให้เปลียนให้ฟรีเลยให้เปล่าเลยให้เปล่าเลยอย่างเช่นสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ญาติเนี่ยหมายความว่าคือสมมติเอาเงินให้ญาติยืมเนี่ยคุณไม่ต้องหวังเอาคืนอ๋อไม่หวังคืใจไปเลยว่าศูนก็คือถ้าเขาคืนก็ดีอ่ะถ้าไม่คืนก็ ต้องเป็นการสงเคราะห์ญาติาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีเงินเนี่ยคุณต้องแบ่งเงินตรงนี้ว่ามีส่วนหนึ่งนะสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วช่วยชาติแล้วก็บูชาเทวดาหนึ่งสอสามสี่อย่างเหมือนกัน<ะ>ในข้อที่สามนี่ก็มี4ี่อย่างนะสงเคราะห์ญาติสมมติว่าอาลมามีเงินร้อยบาทเนี่ย<ะ>แบ่งใจ่ายในอันดับแรกนะ เ, เลี้ยงดูบุตรภรรยาชีวิตของคนรอบตัวเรานะอาจจะสัก5 0า อ, อีกสิบเปอร์เซ็นเราอาจจะใช้ในการปิดกั้นอันตรายรนะเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นตเราอาจจะแบ่งจ่ายตรงนี้เพราะนั้นอาจจะแบ่งให้ใหญาติเหลือคแค่ห้าเปอร์เซ็นเพราะถ้าญาติมายืมเงินเราก็จะมีห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้ให้เขายืมได้อย่างนี้เป็นต้นนะช่วยชาติตัวสัดส่วนนี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ไหมครับว่าอันนี้ กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นอย่งนี้มีมีไหมครับเอ่อไม่ได้ระบุถึงเลยเพราะฉะนั้นสัดส่วนนี้ก็แล้วแต่พระพุทเจ้าจึงเป็นแบบบอกกว้างไงว่าให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขโดยถูกต้องครัำคำนี้กินใจนะครับให้เป็นสุขโดยถูกต้องใช่แล้วบางทีต้องมากบางทีต้องน้อยนะมันก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมครับอาจจะบางทีต้องคุยกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างนี้นะ การทําปลีกรรมเนี่ยก็คือแบบว่าคืออุทิศให้เลยอ่ะปลีให้เลยในอย่างสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการบูชาการบูชาพระเจ้าก็บอกว่าเป็นการบูชาที่มีผลได้แล้วการช่วยชาติด้วยหรือแม้แต่บูชาเทวดาเทวตาปลีก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้แล้วก็ตรงนี้คือทรัพนะเพราะฉะนั้นทร <Huh? S 1> ัพในการบูชาเทวดาก็ทําได้ทัพในการบูชา ซื้ออาหารมาเส่นไหว้พูดที่ร่วงรับไปแล้วอันนี้ก็ทําไดนะ้ช่วยชาติก็ทําได้นะสงเคราะห์แขกอย่างอาจจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านเราเราจัดห า, าน้ำํำข้าวของซื้อไปฝากเพื่อนฝากมิตรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้อย่างนี้จะอยู่ในพลีกรรมใช่ใการทํำพลีกรรมพือนี้เปนประการที่สามแล้วก็ข้อที่สี่ข้อที่4ี่เนี่ยคื อ, อเราก็ ในการทำทักษิณาทาน<ม>นะคืออุทิศแก่สมณพราหมณ์ ค, คือถวายพระว้างนั้นเถอะถวายพระรประเภทไหนผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสระจกักขันติแปลว่าความอดทนโสระจกักแปลว่าความสงบสงบเงียมนะผู้ฝึกฝนทําความสงบนะตั้งมั่นฝึกตนอยู่แต่ผู้เดียวสงบอยู่แต่ผู้เดียวให้ดับกิเลสอยู่แต่ผู้ผู้เดียวนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่ทําทักษิณาทานอุทิศในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็น เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อได้โพกษัพ์ด้วยได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับเป็นอริยทรัพย์ด้วยโพกษัพ์ด้วยใช่ใช่แล้วก็เป็นฐานที่ทําน้อยแต่ได้ผลมากและทํา ม, ทมากก็ได้ผลมากขึ้นไปอีกอย่างงี้นะใส่ดาวเนยนะข้อสทักษิณาทารทีนี้ก็เป็นต้องเป็นไปตามลําดับอย่างนี้คือหมายความว่าต้องมีทั้งหมด4ี่อย่างต้องมาด้วยกันครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนคุณก็ต้องทําให้ให้มันพร้อมอ่ะ นะจะสังเกตเห็นว่าผู้เจ้าไม่ได้ระบนะุคือระบุแค่ข้อที่1ว่าให้เป็นสุขโดยถูกต้องให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี่คือเฉพาะข้อที่1นะึแล้วก็ข้อที่2นี่คือปิดกั้นอันตรายนะนะก็ไม่ได้บอกว่าระบุว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะแล้วเพราะฉะนั้นการทําปลีกรรมเนี่ยก็พูดไว้แค่อุทิศให้ข้อที่4ก็คืออุทิศให้เพราะฉะนั้นเรื่องการอุทิศให้ก็ไม่ได้บอกว่า ต้องมากน้อยเท่าไหร่หรือว่าต้องเป็นสุขให้อิ่มน้ําต้องจนเขาพอใจก็ไม่ได้พูดอย่างเงี้นนะแต่ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยได้พูดอยู่นะว่าให้เป็นสุขโดยถูกต้องกต้องครับข้อที่สองนี่ก็พูดอยู่ชัดเจนว่าต้องปิดกั้นอันตรายครับหนะมายความว่าถ้าใช้แล้วอันตรายมันไม่ปิดกั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่สําเร็จประโยชน์นะอืมครับางคนไปซื้อกล้องอวงจรปิดแบบหว ย, หวยมา มันก็ทํางานไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยนะเพื่อหวังประหยัดงบประมาณอย่างเงี้ยมองถือว่าไม่เห็นโจรมาให้เห็นหน้าโจร <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เกิดขึ้นบ่อยรอครับครับทีนี้ว่าทรัพย์ไหนเงินก้อนไหนที่หมดไปซิ้นไปโดยที่ไม่ได้ทําหน้าที่4อย่างนี้นะถือว่าไม่ถูกคุณยังใช้เงินไม่เป็นใช่ไหมใช่ใช่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเงินใครได้เงินเดือนมามีเงินเดือนมีรายได้นะคุณต้องดูแล้วเฮ้ ฉันได้า ไ, ได้มาถูกต้องไหมวะด้วยระบบของการความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นทำเองหรือจัดให้กระทำในอาชีพต่างๆที่พุญชาบอกปิดกั้นอันตราย4อย่างนี้ไหมนะาบายามุก4ี่อย่างนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการปนรแนนเพื่อนชั่วๆนะเสร็จแล้วเราใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ไหมให้มนดาปีปดาด้วยให้บุตรภรยาญาติสนิทมิอา่าเรียกว่าลเลี้ยงเออเลี้ยงลูกน้องอ่ ต้องมีการจ่ายเงินเดือนเขานะถ้าพูดถึงลักษณะนี้เนี่ยถ้าคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วก็เลี้ยงมิตรอมาตบางทีอาจจะต้องซื้อของมาฝากอะไรมีสงเคราะห์ ก, กันบ้างอย่างนี้จ่ายอันที่2คือจ่ายภาษีจ่ายค่ายามอยู่ในอันที่สองนะอันที่3ก็คือว่าต้องมีการอุทิศคนอื่นให้ญาติให้ชาติใช่แลอันที่4เนี่ยก็ต้องมีการทําทักษิณาทานอุทิศให้แก่สมณพรามบ้าง อย่างตัวที่พิจารณาการให้แก่พิกสูจน์ก็คือเราเราพิจ า, าจากเรื่องของขันติกับโซรัจจะ ก, ก็คือพระผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบใช่ไหมครับใช่ใชครับอันนี้ก็จะปรโยงถึงเรื่องของเนื้อหน้าบุญได้ใช่ไหมครับเออก็อถูกต้องผู้ที่เป็นทักษินาทานนะคือผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญพระเจ้าก็พูดไปหลายนัยยะเป็น ค, คนที่มีศีลก็ได้ครับหรือว่าเป็นคนที่มีสมาธิระดับใดระดับหนึ่ง หรือว่าโหมีหลายอย่างผู้ที่เป็นควรแก่ทักษิณาทานอย่างเงี้ยนะครับครับเนีเรื่องเนื้อนาบุญอย่าไว้คราวหน้าครับหน้าดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอเป็นอะไรที่เรื่องทําบุญเนี่ยคนไทยก็ทําเยอะนะครับแต่ว่าบางคนก็เลือกไม่เป็นหรือไม่มีความรู้ที่จะไปเลือกนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บเก็บไว้คราหน้าคราวหน้าทีนี้ว่าในในเรื่องของการทําตรงนี้ก็ต้องบู้ให้ชัดเจนว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการทํำงประมาณ ต้องรู้ว่าเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่ต้อมีการทํางบประมาณแล้วก็ต้องท่านทํางบประมาณเนี่ยต้องแบ่ง4ี่อย่างอย่างนี้อย่างที่พู้เช่าบอก <c oughs> ในรายการที่คุณทํางบประมาณนะต้องมีบรรทัดนี้เลยนะเช่นว่าทําสบายทานเลี้ยงให้บุตรให้ภรรยาให้ญาติจ่ายค่ายามจ่ายค่าภาษีจ่ายค่ า, า, า, าประกรันอะไรต่างๆพวกนี้ต้องมีหมด <c oughs> แล้วดูซิว่าแบ่งจ่าย4อย่างนี้ไหม เราช่วยสงเคราะห์แขกไหมสงเคราะห์ผู้ร่วงรับไปไหมอย่างนี้เรามีหรือเปล่าดูให้ครบถึงจะเรียกว่าปฏิบัติถูกต้องเราจะสบายใจหมอรัตตพงศ์เพราะว่าอะไรอันนี้มันครอบคลุมทิศทั้งหเลยนะใช่ครับใช่ครับถ้าเผิดว่าทิศทั้งหของเราไม่ได้ถูกปิดกั้นไม่ได้ถูกครอบคลุมเราจะมีภัยคุณผู้ชมบอกว่าทิศใดที่คุณปิดกั้นไม่ดีเนี่ยทิศนั้นจะเป็นทิศที่มีภัยเกิดขึ้นครนะภัยมันอาจจะมาจากคนข้างเตียงก็ได้ คนอยู่ใกล้ๆเราก็ได้คนข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้เพราะนั้นเราต้องคอยระวังด้วยการใช้จ่ายทรัพย์ในสี่สถานอย่างนี้อยากชี้นึกว่าโอเคดีมากเลยครับทุกคนก็ได้ได้เรียกว่าเกิดเป็นสุขโดยถูกต้องอย่างนี้ก็ได้นะครับคิดว่าเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ก็จะครบถ้วนด้วยประมาณอย่างนี้แล้วถ้าท่านผู้ฟังมีความเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าคําถามที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ก็เขียนกันเข้ามา ในตอนต่อไปจะตอบให้ได้ครับครับก็เรียนเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับถ้าจะมีคำถามเพิ่มเติมะฉะนั้นใ น, อ น, นตอนท้ายของพอดแคสต์นี้ก็จะเอาคำถามมาตอบกันมีคำถามจากตอนที่แล้วถามมาว่าจากผู้ที่ใช้นำว่ามาคาัคคานุคาครับเป็นพระสูตรนะครับขออนุญาตอ่านนิดนึงแล้วก็จะมีคำถามอยู่ตอนท้ายนะครับเฉพาะภาษาไทยก็แล้วกันรั บ, บอว่าบุคคล น, นั้นหนอ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 ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มีคําถามว่าข้อหนึ่งพระอาจารย์ช่วยอธิบายพระสูตรนี้ด้วยถ้ายังละราคะโทรศัพท์โมหะไม่ได้มันก็ไม่สามารถทําที่สุดอย่างทุกได้ทีนี้คําถามจริงๆอาจจาะคำ ว, ว่าเรื่องของคําศัพท์มากกว่าอย่างเช่นอนุสัยอะไรต่างๆเงี่ยนะมันหมายความว่ายังไงครับทําไมสุขเบทนาถึงถึงทําให้เกิด ราคานุใสทุกวเวทนาทำให้เกิดปฏิกันุใสอย่างเงี้ยอันุใสอันุใสคำว่าอนุใสเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเครื่องนอนเนื่องเครื่องนอนเนื่องเป็นตะกรันตะกรนที่ฝังอยู่อย่างสมมติเราอาจจะเคยเห็นน้ําตามธรรมชาตินะมันก็จะค่อยตกตะกรนตกตะกรนจนกระทั่งพื้นใต้ใต้อย่างแม่น้ ำ, นำมันก็จะมีตะกรนของสิ่งต่างๆทับถมกันอยู่อย่างสระบัวอย่างเงี้ย มนจะมีสกร์โคนตรมทับถ ม, มอยู่ตรงนี้แหละคืออนุัย อ, อนุัยนี่มาจากอะไรมาจากการที่เราเกิดเวทนาขึ้นเวราเกิดเวทนาปุ๊บเรามีราคะใช่ไหมเรารมีตอบสนองสิ่งนั้นไปด้วยราคะเนี่ยสมมตเิเล่นเกมกดอย่างเงี้ยเราตอบสนองด้วยมนโนกรรมนะมนโนกรรมที่เกิดจากราคานะมนมโนกรรมที่เกิดจากราคะ ความชอบนี่เราชอบเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะมันก็จะทิ้งคราบไว้ที่จิตคราบนี้ก็คือราการุ้ัยจิตเราก็จะถูกฝึกด้วยลักษณะนี้คุณตายไปอีกสักส0ชาติ20ชาติคุณเห็นเกมกดอีกคุณจะชอบมันอีกทำไมบางคนเนี่ย เ, เกิดมาแหมทำคณิตศาสตร์ได้ดีเหลือเกินบางคนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีเหลือเกินทงทั้งที่ว่าเขาก็เรียนรู้รพร้อมๆกันนะ เพราะว่าเขามีอนุสัยอย่างนี้ไงจิตเขามีเครื่องนอนเนื่องอันเกิดจากอนุสัยในลักษณะนี้ลักษณะนี้แค่นี้เองะปฏิกิราอนุสัยก็เหมือนการบางคนขึ้นรถไฟห่อตีลังกามาแล้วแต่ผมไม่ชอบเลยโอ้โหอ้วกแตกอ้วกแตนหน้าเขียวหน้าเหลืองแต่คนนึงบอกโอ้โหแมันมันมากเขาทําไมเป็นไงนะเพราะอนุสัยนี่แหละมันนอนเนื่องอยู่ในจิตจิตเลยมีการตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆไม่เหมือนกัน เวลามาสิ่งมากระทบใช่ไหมมากระทบที่จิตเนี่ยจิตจะเกิดขึ้นใช่ไหมจิตมันไม่เกิดอยู่ใช่ไหมเวลามากระทบแล้วมันจะเกิดเกิดแล้วมันจะดับใช่ไหมไอ้ตอนเกิดนี่แหละมันก็จะเกิดไปตามลักษณะของอนุสัยที่จิตมีเพราะฉะนั้นเวลาจิตเขาจะตอบสนองไปเขาจะตอบไปตอบสนองไปตามอนุสัยที่ของเขามีซึ่งมันได้รับการสั่งสมสั่งสมทับถมทับถมกันมาเป็นนิสัยถ้าพูดกันถูกต้องหน่อยก็เป็นสันดานว่างกันเถอะ ก็จะเป็นเครื่องนอนเนื่องอยู่วังเงินเถอะซึ่งอภิชาญุ ส, สยัยราคานุ ส, สายบริการญุ ส, สัยก็ทํางานในลักษณะเดียวกันบางคนบือบ้อๆนะอเกิดอภิชานุ ส, สยัยไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ลักษณะนี้นะถ้ายังถอนไม่ได้นะก็ทําที่สุดแห่งทุกไม่ได้ลักษณะนี้เพราะฉะนั้น ค, คิดว่าในการตอบสนองของเราเนี่ยพระเจ้ า, าได้พูดไว้ในประสูนยนี้นะในตอนถัดไปก็จะบอกว่าถ้าเราตอบสนอง โดยที่เห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นเวทนาไหนอ้อสุขเวทนาเลยสุขเวทนาไม่เที่ยงใช่ไหมการตอบสนองของเราเนี่ยจะไม่เป็นไปเพื่อราคาจะไม่เป็นราคาเราตอบสนองด้วยไม่ใช่ราคาก็ไม่มีราคานุสัยในจิตทุกเวทนาเกิดขึ้นเราไม่มีความขัดเคืองไว้เราปล่อยวางก็ไม่มีปฏิกานนุัยเกิดขึ้นในจิตเวลาอย่างเราสังเกตลมหายใจเนี่ยมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์ให้มันเฉย เราเห็นตามที่เป็นจริงนะในความเฉยๆนั้นอ้าวอย่างนี้วิชา น, นุสัยก็ไม่เกิดขึ้นก็เรียกว่าตอบสนองด้วยความรู้ก็ไม่มีเครื่องนอนเนื่องอันที่ไม่รู้เกิดขึ้นในจิตก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันชัดๆเลยนะพูดกันตรงๆเลยสมมติ ค, คุณเห็นรถคันหนึ่งแหมมันสวยมันต้องตามันสีงามมันแหมรุ่นใหม่ล่าสุดสมบูรณ์ด้วยทั้งรูปลักษณะความเร็ว และ ค, ความสามารถต่างๆของมันทำยังไงชอบใช่ไหมาาปล่อยวางซะ อ, อปล่อยวางซะอย่าให้เวทนานั้นมานอนมาเกาะจิตนะเพราะเราปล่อยวางความรู้สึกนั้นได้ปุ๊บราคานุสัยก็ไม่เกิดขึ้นนะจะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ถูกลูกศรดอกที่สองอย่างสมมติคุณถูกโดนตกท่อเนี่ยเดินตกท่อเจ็บขาใช่ไหม โอ้ยเรามีคบเวทนาอันเป็นทุกข์เกิดขึ้นใช่ไหมครับปล่อยวางเวทนานั้นซะถ้าเราปล่อยวางเวทนานั้นเนี่ยปฏิฆะนุสัยก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตนรืออกมาวิธีการปฏิบัติก็ง่ายง่ายแค่นั้นเองคุณจะปล่อยวางตรงนี้ได้คุณต้องเห็นทุกข์คเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นโดยมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาจางคลายไปเป็นธรรมดาดับ ราคาทุสัยก็ไม่เกิดขึ้นปฏิกันทุสัยก็ไม่เกิดขึ้นอภิชานิทุสัยก็ไม่เกิดขึ้นในจิตของเรารเออดูหนังเรื่องนี้เฮ้ยเบือ่อเหลือเกินดูบ่อยละเฉยๆนะให้เห็นความรู้สึกนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันความรู้สึกเฉยๆก็ไม่เที่ยงนะไอ้ดูตอนแรกนี่มันมันเหลือเกินแต่พอมาดูรอบที่สิบเฮยเฉยๆนะอา้าวทำไมมันไม่เที่ยงอา้าวเราเห็นอยู่อย่างนี้ปล่อยวางซะ อาวิชชานุสายก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตครับถ้าเธอทําอย่างนี้ได้นะจะสามารถทําที่สุดแห่งทุกได้เป็นฐานะที่เป็นไปได้ครับอืมอย่างกรณีที่บอกว่าดูหนังหลายๆรอบแล้วก็รอบท้ายๆเริ่มเบื่อเนี่ยก็คือคําว่านิพิทาใช่ไหมครับความหน่ายนี้ความหน่ายถูกต้องรพระพุทธเจ้าจึงบอกให้ทําบ่อยๆทําให้มากทาให้เจริญ ค, รคือเรื่องของมรรคเราแค่ว่าการเกิดดับอย่างเงี้ยเราเห็น บ, บ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเราก็จะ รู้สึกว่าโอ้เป็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงว่าไงเถอะครับเพราะฉะนั้นคาถามของคุณมรคานุกาคิดว่าตอบไปแล้วข้อสองก็คือว่าอาจารย์ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือความหมายของราคานุสัยและปฏิการนุใสซึ่งอย่างส่วนตัวผมกับพระสูตรนี้ก็ชอบชอบอยู่แล้วครับพระสูตรนี้ก็โหแบบว่าแม่งกินใจครับ แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามใดก็ให้ส่งกันเข้ามาได้เนื้อหาของการบรรยายในครั้งต่อไปเราก็จะเอาพูดถึงเรื่องของเนื้อนาบุญใช่ไหมว่าเราจะดูลักษณะไหนผู้ใดเป็นลักษณะยังไงเราจะสังเกตได้อย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกต้องวางกันเถอะเพราะฉะนั้นก็ค่อยมาพบกับท่านผู้ฟังในครั้งต่อไปในตอนนี้ตอนที่ย8่สิบแปดเน ตอนห้าก็จะเป็นควแก่เวลาตอนที่29อ่าครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอาจาริ์รืองพครับกลับนุกการพระอาจารย์ไพบุญครับ